Thank you. พ่อเขียนเคยสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมนะคือการปล่อยวางทางจิตท่านกา็พูดต่อว่าที่จริงเขียนนะไม่ใช่พูดเขียนต่อว่าอย่ามุ่งแต่สร้างจังหว ะ, ะท่านย้ำว่าการปล่อยวางนะทางจิตเนี่ยมันคือหัวใจ ของกรรมฐานอันนี้เป็นข้อความที่หลวงพ่อได้เขียนเอาไว้นะก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะสองสาเดือนเพราะเราคงทราบว่าช่วยท่านป่วยในะท่านพูดไม่ได้นะท่านก็สื่อสารด้วยการเขียนแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้ท่านได้เขียนบันทึกหรือว่าคาแนะนะที่เป็นประโยชน์กับพวกเรา สิ่งที่หลวงพ่อได้เขียนไว้ที่ธรรมยุ่ ม, มากล่าวพระสครูดนี่มันมันเป็นเป็นหัวใจเลยนะของการปฏิบัติธรรมการปล่อยวางทางจิตเมื่อเรามาที่นี่เนี่ยนะก็ให้เราระลึกถึงตะหนักถึงข้อความนี้เนี่ยนะเป็นสำคัญ มันคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมอย่าไปติดที่รูปแบบรูปแบบก็มาถึงการยกมือสร้างจังหวะอันนี้มันเพียงแค่วิธีการบางคนก็ไปติดที่รูปแบบจนลืมนะว่าการสร้างจังหวะนะจุดมุ่งหมายสูงสุดคือเพื่อการปล่อยวางทางจิตนะบางทีทำแล้วก็ไปยึดติดนะ ปยึดติกับรูปแบบบ้างหรือไปยุดติกับผลที่อยากเห็นอยากมีอยากได้จากการปฏิบัติบ้างนะเช่นความสงบเป็นต้นนะการปล่อยวางทางจิตนะอันนี้ก็เป็นคำที่ควรจะใส่ใจสักหน่อยนะเพราะว่ามันหมายความว่า การปล่อยวางนั้นเกิดขึ้นที่ใจส่วนหน้าที่การงานก็ยังทําอยู่นะไม่มีคําว่าปล่อยปะแล้วเลยปล่อยวางนี่ไม่หมายถึงปล่อยวางการงานของรับผิดชอบนะเรื่องการทํากิจหรือการทํางานก็ยังต้องทําต่อไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าใจนั้นน่ยมันปล่อยวาง นี่การปวางทางจิตมันก็เริ่มต้นจากการที่เราเรียนระู้ที่จะไม่ยึดติดความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจโดยเพราะความคิดนะเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตหรือว่าปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนเราทุกนะี่จะว่าไปลาเนี่ย ให้ความทุกข์ใจคนเราก็รู้แล้วแต่เกิดเพราะความยึดติดและที่ยึดติดนะจนน้อยเป็นทุกข์ก็ยึดติดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนั่นแหละเรื่องอดีตก็หมายถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้วที่มันเป็นความพัดภาคสูญเสียทําให้เจ็บปวดถูกต่อว่าด่าทอเนี่ย หรือว่าทำความผิดพลาดบางอย่างกับผู้มีพระคุณอย่างเงี้ยก็ทำให้เศร้าโศกเสียใจบ้างทำให้รู้สึกผิดบ้างทำให้โกรธแค้นไอนน้เรื่องที่เป็นความคิดเกี่ยวนาคตนะมันก็คือการปรุงแต่ง้ถ้าปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องฝันกลางวันนะอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่า ไปนึกถึงเรื่องรายลัยที่ยังไม่เกิดขึ้นนึกไปนึกมาก็ไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆริพอคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆก็เลยเป็นไงวิตกกังวลนรู้หมดกุ้มใจไอ้ความคิดเหล่านี้นะที่มันมารบ ก, กวนจิตใจเราเพราะเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหรือเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกน เมื่อเช้านี้ก็พูดไปนะถึงเรื่องความเครียดนะว่ามันมีความเครียดที่ดีและความเครียดที่ไม่ดีนะไอนนความเครียดที่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงอะไรเลยมันก็หมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกดีกับความเครียดนั้นมันก็เป็นความเครียดที่ดีถ้าเรารู้สึกแย่กับความเครียดนั้นมันก็เป็นความเครียดที่แย่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกหรือเราคิดยังไงกับความเครียดนั้น อดีตก็เหมือนกันนะอดีตที่ดีก็มีอดีตที่ไม่ดีก็มีแต่อดีตที่ดีไม่ไหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จนะความสนุกสนานการได้อยู่กับคนรักหรือว่าอดีตที่ไม่ดีไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดความสูญเสียความพัดเพ่าที่เกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่อดีตที่ดีก็หมายถึงอดีตที่เรารู้สึกดีกับมันหรือว่าเห็นประโยชน์ของมัน อดีตที่ไม่ดีก็คืออดีตที่เรานะรู้สึกแย่กับมันอดีตที่เรารู้สึกดีกับมันเนี่ย จ, จะเป็นความผิดพลาดความเจ็บปวดก็ได้นะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราขอบคุณเราขอบคุณที่เหตุการณ์นั้นได้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ ทำให้เรามีประสบการณ์ทำาเราเกิดปัญญานะของคนตกงานนะตอนนั้นตอนตกงานก็กลุ่มใจเป็นบ้าเป็นหลังแต่ภายหลังก็พบว่าโอ้ตกงานนั้นดีนะมันทาให้ขนขวายที่จะมาทำอาชีพของตัวเองเปิดกิจการของตัวเองนะแทนที่จะกินเงินเดือนก็ทาให้อ่เป็นเหตุให้ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นพอเนื่องไปถึงเหตุการณ์ที่ตกงานเมื่อสิบปีที่แล้วก็เลยบอกโอ้ยขอบคุณมากเลยนะที่เราตกงานหรือบางคนตกงานแล้วทำให้จำต้องไปอยู่กับพ่อแม่ไม่มีทางไปแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ไปอยู่แล้วก็ได้ดูแลท่านแล้วก็ท่านก็จากไปอย่างกระทันหัน แม้จะเสียใจแต่ก็ดีใจตรงที่ว่าได้ดูแลท่านในบ้านปลายชีวิตนี่ทาไมตกงานก็คงจะไม่ได้ดูแลท่านและเมื่อไม่ได้ดูแลท่านก็คงจะเสียใจรู้สึกผิดว่าเราละทิ้งท่านไปนะต้องขอบคุณนะที่ตกงานนะทำให้ได้มาดูแลท่านนะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะ อันนี้เราว่าเป็นอดีตที่เจ็บปวดนะแต่ว่าเป็นอดีตที่มันเป็นอดีตที่ดีเพราะเรารู้สึกดีกับมันในเวลาต่อมาอาจารย์ประมวลเพ็งจันทรเนี่ยท่านเคยบวชพระแล้วก็ต่อมาได้ไปเรียนถึงปริญญาเอกที่ประเทศอินเดียในตอนที่เรียนปริญญาโทรปริญญาเอกนี่มีความทุกข์มากเลยรู้สึกรู้สึกเจ็บแค้นผิดหวัง นะกับเรื่องราวเหตุการณ์รวมทั้งคนอินเดียร้องไห้หลายครั้งผมขื่นมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปสามสิบนะปีเมื่อท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่ไปเรียนที่อินเดียนีย่ท่านรู้สึกซาบซึง้งขอบคุณเหตุการณ์นั้นนะที่ทำให้ท่านเป็นอย่างทุกวันนี้และทำให้ท่านเนี่ย กลับไปอินเดียครั้งหนึ่งนะเพื่อไปขอบคุณขอบคุณครูบาจารย์ขอบคุณหมาอัยไลขอบคุณอินเดียนะคนเราเนี่ยนะบ่อยครั้งเนี่ยเราแม้เราจะผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดขมขืนแต่ในเวลาต่อมาเรากลับรู้สึกดีอดีตหลังอดีตอย่างาางั้นแหะคืออดีตที่ดีนะไม่ใช่อดีตที่เราสําเร็จนะ ลาบรื่นแต่เป็นอดีตที่อาจจะมีความเจ็บปวดแต่ว่าในเวลาต่อมาเรารู้สึกดีกับมันเพราะเราเห็นคุณค่าอันนี้เรามีความรู้สึกดีกับอดีตเนี่ยนะมันก็มันก็ไม่ทุกนะถึงแม้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความพัดภาคสูญเสียนะเป็นความเจ็บปวดแต่ว่าที่มันเป็นความทุกข์ของคนเรานะอีกส่วนก็พราไปแบกมันไวาอดีตที่ไม่ดีก็แบกเอาไว้ อดีตที่ดีแบกไว้ไม่เป็นไรนะมันชวนให้เราลึกนึกถึงแล้วทาให้เกิดความประทับใจเกิดกําลังใจแล่อดีตที่มันไม่ดีเนี่ยแบกเอาไว้มันก็ทําให้เจ็บปวดแล้วมันก็จะมารบกวนจิตใจเราเนะี่ยเวลาเราสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมมันก็จะมาก่อกวนทําให้ใจไม่สงบรอบตัวนี่สงบสงัดแต่ว่าใจนี่มันรุ่มร้อนมีเสียงดังอยู่ในหัวตลอดเวลา การปฏิบัติเนี่ยมันช่วยให้เราปล่อยวางอารมณ์ความรูสึกเหล่านี้ได้ปล่อยวางเมื่อเรามีสตินะเมื่อเรารู้ทันนะว่าใจเผลอคิดไปมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นที่มันวางเลยเราปฏิบัติไปปฏิบัติก็จะพบว่าโอ้ใจมันสงบขึ้นนะใจมันสงบเพราะว่ารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้มัน เข้ามากอบกุมจิตใจหรือผู้ย่นันก็คือไม่ไปแบกมันเอาไว้สติทําให้เราปล่อยทําให้เราวางไอ้ความคิดอดีตที่เจ็บปวดรวมทั้งอนาคตที่มันชวนให้วิตกกังวลมันทําให้เราได้คิดว่าอนาคตมันยังไม่เกิดเลยจะไปกุ้มหัวกุ้มใจตีตันไปก่อนค่ายทําไมนะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะสติมันทาให้เราได้คิดนะแล้วก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอ อันนี้คือการปล่อยวางทางจิตนะเมื่อปล่อยวางเสร็จใจก็จะเบาใจก็จะสบายใจก็จะโปร่งโล่งเย็นนะแล้วก็สงบนะแถ้าปฏิบัติถูกวิธีเนี่ยนะสติมันไวความรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้เร็วการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งความคิดมันน้อยลง พอเราคิดมันน้อยลงเนี่ยนะมันก็สงบเสินะแต่ก่อนมันคิดตลอดเวลาเลยจนกระทั่งสงสัยว่า เ, เราจะหยุดคิดได้หรือเปล่าเนี่ยแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะความคิดมันก็น้อยลงน้อยลงมันมีช่องว่างระหว ง, งความคิดมากขึ้นใจก็โปลงลง่งโล่งนะใจก็สงบ อย่างที้พอสงบแล้วก็ต้องระวังทย่จไปติดความสงบนะหลวงพ่อ เ, อเขียนนเน้นนะว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นการเห็นเนี่ยเห็นความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันทําให้ใจสงบแต่พอสงบแล้วนี่ไม่เห็นความสงบนี่ก็พลาดท่านะอันนี้เป็นกับดักของนักปฏิบัติธรรมนะเมื่อใจมาสงบแล้วก็เห็นความสงบนะอย่าเข้าไปเป็นผู้สงบ ความรู้สึกตัวยังจําเป็นอยู่นะกลับมารู้สึกตัวอ่อนะเห็นมันนะเห็นความสงบที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่เข้าไปเป็นผู้สงบนะอันนี้เรียกว่าเป็นการปล่อยวางนะปล่อยวางด้วยสติปล่อยวางเมื่อเกิดความรู้สึกตัวนะลองสังเกตอดูนะพอเรามีสติเมื่อไหร่นะพอเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ความคิดฟุ้งซ่านมันก็หลุดไปนะ อันนี้เรียกว่าวางนะเรียกว่าวางวางแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยนะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันยังแบกยังยึดอีกต้องหลายอย่างไอ้ที่เราทุกข์กับเรื่องราวในอดีตเนี่ยเขาเป็นเพราะว่าไม่ใช่เพราะเป็นเพราะเราไปยึด ก, กับเรื่องราวในอดีตเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรายึดเอาไว้ เช่นรถถูกยึดนะบ้านถูกไฟไหมเงินถูกโกงถูกดา่าถูกทรยศหักหลังนะนึกถึงอะไรก็ทุกข์แต่ถึงแม้เราไม่นึกถึงมันนะแต่ที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเรามีมาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเป็นยังยึดติดเป็นของเราอยู่เช่นรถของเราบ้านของเรานะหน้าต า, าของกูนะ อันเนี้ยคือคือสาเหตุสําคัญเลยถ้ายังมีความยึดนะในสิ่งเหล่านี้นะพอเกิดความสูญเสียเกิด ค, ความพัดพรากในวันหน้าก็ยังต้องทุกข์อีกนะหรือพอถูกคนเขาดินทาหรือว่าถูกนินทาหรือว่าถูกด่าต่อหน้าก็ยังทุกข์อีกนะเพราะยังมีความยึดในในหน้าตานะในสิ่งของในทรัพย์สมบัติ เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยนะปล่อยวางนี่ไม่ได้แปลว่ า, าแจกจ่ายไปหมดนะอย่ามันมีนักนักพรตบางบางลัทธินะบางาศาสนาปล่อยวางก็คือว่าไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้านะอย่างเช่นนักนักพรตศาสนาเชนเนี่ยเป็นพวกที่คาพรที่คาพรคือว่าผมฟ้านะนุ่งลมผมฟ้า พวกนี้เขาไม่ใส่เสื้อไม่มีอะไรเลยนะก็ถือว่าเป็นการปล่อยวางไม่มีทรัพสมบัติอะไรทั้งสิน้นเดินตัวเปล่าทงๆนะอย่างมากก็มีแค่หม้อสำหรับใส่อาหารที่บินทบาทที่ขอมาได้อันนี้เขาเรียกปล่อยวางนะใจธรรมพุทธศาสนาเราเน้นเรื่องการปล่อยวางทางจิตหมายความมียังมีอยู่นะยังมีเสื้อผ้าอยู่ยังมีของติดตัวอยู่ ยังมีทรัพย์สมบัติท่อมล้อมอยู่แต่ว่าใจไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้ไม่ได้ยึดเป็นของเรานะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องฝึกนะอีกขั้นหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่ปล่อยวางความคิดเกี่ยวกบดีตความคิดเกี่ยวอนาคตปล่อยวางอารมณ์ความอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจไ้ปล่อยวางก็มันยังปล่อยวางได้ไม่ไม่ ไม่ไม่สมบูรณ์นะแต่แต่ทีย่ยังมีความยึดว่ารถของเราบ้านของเราทรัพย์สินของเราตําแหน่งของเราลูกของเราหน้าตาศักดิ์ศรีของเราจิตมันก็ยังจะต้องถูกรบกวนด้วยความทุกข์นะมันก็จะต้องมีความอารมณ์ อ, อกุศลเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเมื่อไอสิ่งที่เราเยอะเป็นของเราเนี่ยมันเกิดมีอันเป็นไป เสื่อมไปเสียไปคนเอาไปนะหรือว่าเขาตายจากไปหรือว่าถูกกระทบนะด้วยคําพูดคําด่าที่มันกระทบกระแทกตัวกูนะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องปล่อยวางด้วยแต่คราวนี้การจะปล่อยวางเนี่ยมันมันปล่อยวางไม่ได้ด้วยสติและค ว, วามรู้สึกตัวนะจะปล่อยวางได้แท้จริงต้องอาศัยปัญญาคือเห็นความจริงว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยึดไม่ได้เลยว่าเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราแล้วก็ยึดไม่ได้ว่าเป็นของเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่จรังนะมันต้องเสื่อมต้องดับไปแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะยึดเอาไว้ยังไงมันก็ต้อง ผันแปรนะหรือว่าเสื่อมดับไปแล้วถามว่าจะมีอะไรที่เป็นของตนไหมมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นตนไหมเป็นตัวเป็นตนหรืออัตตาไหมมันก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้คือความจริงที่มีปัญญาถึงจะเห็นนะมีปัญญาก็จะเห็นว่โอมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเดีย๋ยวว่าแต่ของนอกตัว แม้แต่กายกับใจนี่นะมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการเจริญสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นว่ามันไม่มีเรามีแต่กายกับใจนะมันมีแต่รูป ก, กับนามนะเวลาทำอะไรเนี่ยแต่ก่อนไม่มีสตินะตอนไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไปคิดว่ามันเราทำเราเป็นผู้ทำเวลาเดินก็เราเดินเวลานั่งก็เรานั่ง เวลาโกรธเกิดขึ้นในใจก็เราโกรธนะเวลามีความเกลียดเกิดขึ้นก็เราเกลียดมีความเครียดเกิดขึ้นก็เราเครียดมันมีแต่เราเป็นผู้กระทําเป็นเจ้าของการกระทําแต่พอเราปฏิบัติไปก็สายการเจริญสตินี่แหละใช้เป็นอุปกรณ์ในการดูดูอะไรดูดูของจริงนะก็คือกายกับใจมันก็จะเห็นความจริงว่า มันไม่มีเรานะมันมีแต่กายกับใจทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องของรูปกับนามอย่างที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันมีแต่รูปทำหรือไม่ก็นามทำนะรูปทำหรือนามทำรูปโลกนามโลกในนีครูบาจารย์นั่นก็จะพูดหลวงพ่อเทียน น, ยนั่นก็พูดหลวงพ่อคำเกศนั่นก็พูดมันหมายความว่าไอ้การกระทําทั้งหลายมันไม่ใช่เราทำนะแต่มันเป็นรูปทำบ้างมันเป็นนามที่ทําบ้าง เช่นรูปเดินนะหรือว่านามคิดคิดปรุงแต่งต่างๆปรุงแต่งเป็นอารมณ์ก็มีและโลกเนี่ยเวลามีโลกเกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นโลกนะแต่มันเป็นโลกของกายบางเป็นโลกของใจบ้างสติมันทาให้เราเห็นความจริงอย่างนี้นะต่อไปก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งแม้ไม่มีเรามีแต่รูป ก, กับนามมีแต่กายกับใจไอ้กายกับใจลูกกับนามก็ไม่ใช่ของเรา ก็จะเห็นต่อไปว่าสิ่งตั้งหลั้งปวงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราชาวนี่แหละนะมันก็ทําให้วางได้แล้ววางได้เพราะว่ามีปัญญาอันนี้ก็เป็นเป็นจุดมุ่งหมายหรือขั้นตอนสูงสูงการปฏิบัติธรรมคือมีปัญญาเห็นความจริงนะของกายและใจเห็นความจริงของสรรพสิ่งจน ปล่อยวางไปเองนะเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ของที่จะยึดเป็นตัวเป็นตนได้ไม่สามารถจะยึดให้มันเที่ยงได้ไม่สามารถจะยึดเพราะเห็นว่ามันเป็นสุขได้การเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่ช่วยทำให้ปล่อยวางได้มันวางเองเหมือนกับเราเราเคยจับนะ จับอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นของดีของประเสริฐนึกว่าเป็นทองแต่พอเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ทองมันคือฐานฐานก็แนแดงๆหรือเห็นว่ามันเป็นอาจมเนี่ยมันวางเองเลยนะวางเองเลยนะไม่ต้องมีใครสั่งคนที่แบกหีบสมบัตินะในหีก็มีเงินธนบัตรเยอะแยะ แต่พอรู้ความจริงว่าในหีบนั้นมันไม่ใช่ธนบัตรมันเป็นแป้งกงเตกนะมันก็วางเลยเหมนกันนะไม่รู้จะแบบไปทําไมอันนี่ยคือการปล่อยวางเพราะเห็นความจริงนะการเห็นความจริงนั่นแหละนะก็คือปัญญาแต่ก่อนจะเห็นความจริงมันก็ต้องเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมนั่งเห็นกายเคลื่อนไหวนะพูดงา่ายคเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจขึ้นคิดนึกก่อน เห็นตรงนี้ใช้สตินะสติมันทําให้เห็นกายเคลื่อนไปเห็นใจคิดนึกต่อไปเห็นไปนานๆเห็นเห็นของจริงเห็นของจริงบ่อยๆมันก็จะเห็นความจริงคือสัจธรรมนะว่ากายกับใจมันก็ไม่เที่ยมเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนี้เราเห็นสัจธรรมแล้ะเห็นลักษณะของกายกับใจ และ ส, ะสิ่งที่เลือดไตรักเนี่ยพอเห็นแบบนี้เข้ามันปล่อยวางปล่อยวางอย่างสิ่งเชิงไม่ยึดนะอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราต่ออีกต่อไปนะหลวงพ่อเขียนท่านใช้ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะความหมายคือไม่ยึดอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าอะไรนั่นจะเป็นรูปหรือนาม ไม่ว่ามันจะเป็นกายกับใจหรือสิ่งที่เกิดกับกายกับใจก็ไม่ยึดนะว่าเป็นเราเป็นของเรานะไม่ยึดว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันนะจะเป็นกายกับใจหรือใจนี้ก็ตามหรือจะเป็นทรัพย์สมบัติบ้านรถยนต์นะคนแวดล้อมลูกพ่อแมนะ่ก็ไม่ยึดมาเป็นเราเป็นของเราพอารู้ว่ า, าจริงจริมัน มันเป็นเช่นนั้นไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่นา่ายึดด้วยนะเพราะว่ายึดแล้วก็เป็นทุกข์ก็ปล่อยท่า น, นเลยนะนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสงบเย็นสงบอย่างสิ้นเชิงนะมันไม่ใช่สงบเพียงไม่ใช่สงบเพราะว่าไม่คิดไม่ใช่สงบเพราะว่าตัดปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรนะแต่เป็นความสงบเพราะมีปัญญาเห็นความจริงนะ อันนี้ก็เรียกว่านะทำให้จิตเนี่ยเป็นอิสระนะพ้นทุกอย่างสิ้นเชิง น, นี้เราเข้เขาใจตรงนี้เอาไว้นะเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นฐานเช่นการให้ทานการรักษาศีลหรือภาวนาเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างถูกต้องเวลาให้ทานเนี่ยก็ไม่ได้ทายทานด้วยใจที่ยึดใจที่เอาเข้าใจว่าการให้ทานเนี่ยก็คือการฝึกเพื่อลดพื่ละ เพื่อการปล่อยเพื่อการวางนะที่แรกก็ลดความตนหนีแล้วความมีแก่ตัวก่อนลดความเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งที่เราได้มอบได้ถวายได้บริจาคนะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยการให้ทานก็จะเป็นการเพิ่มพูนกิเลสนะเวลทาทำบุญก็อยากจะเอาอยากจะไดนะ้ถวายสิบอยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ล้านนะ หรือว่าทําบุญก็อยากจะให้คนเขาเห็นว่าเราทําอยากจะให้เขารู้ว่าเราบริจาคเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันไม่ได้เป็นไปเพื่อการลดการรับเพื่อการปล่อยการวางนะแต่มาเป็นการทําเพื่อเพิ่มความยึดติดมากขึ้นให้ใครให้ให้อะไรไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยวางไม่ไปคอยดูว่าเขาจะเขาจะใช้ของนั่นไหมหลวงถวายอาหารไปแล้วก็จะคอยดูว่าหลวงพ่อจะฉันอาหารของเราไหม ถวายจีวรก็จะดูว่าหลวงตาเขาจะข่มจีวรของเราไหมอันนี้แสดงว่ายังไม่ปล่อยวางจริงนะเพราะว่ายังมีความสึกว่าเป็นจีวรของเราเป็นอาหารของเราอยู่ก็ถวายไปแล้วมันจะเป็นของเราได้ไงก็ต้องเป็นของท่านเลยถ้ายังเคลียรเป็นของเราอยู่อาหารของเราจีวรของเราก็แสดงว่ายังมีเยื่อใ่ยังไม่ได้ปล่อยวางถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะพยายามที่จะฝึกใจของเราให้ปล่อยวางถวายอะไรก็ถวายแบบส แบบเ้วยว่าเ ส, เสด็จน้ำเลยนะไม่มีเยื่อใหญ่แล้วก็ไม่คิดจะเอาอะไรตอบแทนรักษาสีงห์เหมือนกันนะรักษาสีงก็ไม่ใช่เพื่อจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่เพื่อจะได้มีทรัพย์สมบัตินะ่ะร่ำรวยในภพนี้หรือภพหน้าแต่เพื่อลดละนะลดละโลคโกดหลงนะ ซึ่งเป็นตัวการทําให้ผิดศีลนำไปไปเบียดเบียนผู้อื่นนะภาวนาก็เหมือนกันภาวนาก็จะไม่คิดแต่ว่าฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรนะมีนักปฏิบัติหลายคนจะถามเนี้ยปฏิบัติมาต้องนานภาวนาก็ต้องนานแล้วยังไม่เห็นได้อะไรเลยนะถามเนี่ยมันถามผิดนะเคยมีคนไปถามหลวงพ่อเฟื่องเนี่ยแบบเนี้หลวงพ่อเฟื่องโชติโกผมภาวนามาต้องนานยังไม่ได้อะไรเลย แล้วก็ตอบว่าเราภาวนาเพื่อละนะไม่ใช่เพื่อจะเอาเพื่อจะได้นะเพราะนั้นที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนพูดมาที่จะตามายกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปล่อยวางทางจิตเนี่ยนะจาเอาไว้ให้มั่นนะแล้วก็พยายามที่จะเอามาตรวจสอบกับการปฏิบัติของเราว่ามันทําแล้วมันปล่อยวางจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องรู้นะเป็นการปล่อยวางทางจิตนะไม่ใช่ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งครอบครัวหรือว่าไม่เอา ไม่เอาไม่เอาใจใส่กับเรื่องของส่วนรวมเลยนะทิ้งหมดนะวัดจะเป็นยังไงป่าจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจปล่อยวางไม่ใช่งานการยังทำอยู่รับผิดชอบอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ยึดไม่ติดนะแล้วก็เอาคำาดีวกวพเท่านี้อากาศ